ทีนี้ความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการรู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าอัธยาศัยรักความจริงโดยเฉพาะการรู้ความจริงเห็นโทษของความไม่รู้เห็นโทษของความสงสัยคนเหล่านี้มีความสุขกับการรู้ความจริงขอให้สิ่งนั้นเป็นความจริงเถอะยินดีที่จะรู้ความจริงมากกว่าถูกหลอกว่างั้นเถอะถึงถูกหลอกอย่างดีก็ช่างเถิแต่ว่าต้องการฟังความจริงมากกว่า เพราะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงอย่างสมมุติถ้าอย่างคนที่ระดับสูงบริหารเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงอถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบริหารได้ไปรอดไหมบริหารไปไม่รอดอยู่แล้วถ้าไม่รู้ความจริงเพราะการรู้ความจริงเนี่ยนะเป็นตัวที่สามารถรักษาประโยชน์โลกนี้รักษาประโยชน์โลกหน้าสามารถแก้ปัญหาแก้สถานการณ์อะไรได้ทั้งหมดเพราะรู้ความจริงท่านจึงมีความสุขที่จะรู้ ความจริงเนี่ยนะรู้ความจริงของการให้ทานรักษาศีลรู้ความจริงของกรรมและผลของกรรมรู้ความจริงที่เรียกว่าความดีความชั่วความเจริญความเสื่อมสิ่งที่สุดความจริงของสิ่งนั้นอ่ะที่สุดมันคืออะไรเพราะนมีใจรักที่จะรู้ความจริงน่ยนะความจริงเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกใช่ไหมความจริงของทุกขสัตริย์เมื่อไหร่มันก็ไม่ดีแต่ก็มีความสุขที่จะรู้ความจริงแต่ถามว่ารู้ความจริงเพื่ออะไร เพื่อกำจัดความไม่รู้และจะได้เพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนบุญกุศลเป็นต้นเนี่ยนะพันคนที่ที่ฝ่ายรู้เนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ที่ชอบแก้ปัญหามีความสุขกับการแก้ปัญหาแต่ที่สําคัญที่สุดท่านขอรู้ความจริงก่อนว่าความจริงมันคืออะไรแล้วจะแก้แก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วเทนโทษด้วยว่าถ้าไม่รู้จริงอะไรจะเกิดขึ้นเช่นว่าถ้าเราจะเดินทางแล้วไม่รู้เส้นทางจริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ชีวิตนี่จะเป็นยังไงนะหลงทางแน่นอนนั้นความไม่รู้นี่ก็บอกว่าโลกนี้มันจะมีอะไรเลวร้ายเท่ากับความไม่รู้อีกแล้วไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่มีโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่มีโทษที่สุดนับหนึ่งเลยก็คืออวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมีโทษที่สุดคืออะไรไม่รู้อดีตไม่รู้ไม่รู้อดีตก็ถือว่ามีโทษไม่รู้อนาคตก็มีโทษไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตก็มีโทษสมมุติถ้าเราค้าขายอ่านสถานาการณ์ข้างหน้าไม่ออกเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น สมมติว่าซื้อของมาโดยที่อ่านไม่ออกเลยว่ามันหมดอายุเมื่ อ, อไรเนี่ยนะถามว่าดีไ้ยซื้อยาโดยที่ไม่รู้ว่าอายุมันมีแค่ไหนเป็นต้นเนนะซื้อยาที่หมดอายุเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะมีนั้นใครที่ไม่รู้อนาคตนี่ยึว่าเสียหายมีแต่ความเสียหายไม่รู้อดีต ก, ก็เสียหายไม่รู้อนาคต ก, ก็เสียหายไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตก็เสียหายเนี่ยนะนั้นคนที่เขาแก้ปัญหาเก่งๆคือเาขาคานวณว่าอนาคตควรจะ อะไรเกิดขึ้นเะนั้นเขาจึงแก้ปัญหาปัจจุบันเพื่อสะสางเรื่องข้างหน้าเพราะคนนักแก้ปัญหาจริงคือเขาหามองเหตุมองผลเขาจะแก้แก้ผลเนี่ยแก้ที่เหตุและแก้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้แบบปัญหาแบบทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างผลออกมาคือมนุษย์เนี่ยเหตุคืออะไรผลออกมาคือเดรัจฉานเหตุคืออะไรถ้าจะแก้จากการเกิดเป็นเดรัจฉานให้ไปเกิดเป็นมนุษย์แก้อย่างไรเนี่ยนะเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพิ่มพูน คุณภาพได้อย่างไรก็เพราะมีปัญญาในที่สุดเนี่ยนะเห็นโทษของสังสารวัตรด้วยปัญญาอย่างเต็มที่แล้วออกจากสังสารวัตได้อย่างไรอันนี้ก็ความเป็นผู้มีปัญญาเห็นโทษของความไม่รู้อริยสัจเลยว่าถ้าไม่รู้ทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเป็นต้นเนี่ยเสียหายแค่ไหนบอกว่าถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่เสียหายแค่ไห น, ไ ม, ห น, น, หไหนมีอยู่สูตรหนึ่งเขบอกว่าเห็นทะเลไหมบอกว่าถ้าวักน้ําทะเลขึ้นมาสักสองสมหยด กับน้ำทะเลเนี่ยไหนมากกว่ากันก็บอกว่าไอ้น้ําที่วักมาสองสามหยดมันเล็กน้อยอที่น้ําทะเลมีมากกว่าฉันใดผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะจะต้องทนทุกข์เท่ากับน้ําทะเลผู้ที่เห็นอริยสัจแล้วก็เหลือความทุกข์เท่ากับเหลือเท่ากับสองสหยดฉันใดแผ่นดินกับฝุ่นในเล็บเนี่ยไหนมากกว่ากัน ฝุ่นในเล็บเนี่ยน้อยนิดเดียวแผ่นดินยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะความทุกข์ที่จะต้องสเสวยยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินส่วนพระโสราบันผู้เห็นอริยสัจความทุกข์เหลือเท่ากับฝุ่นในเล็บเท่านั้นแหละนิดเดียวถึงส่วนเซี่ยวเนี่ยนะแค่แค่เจ็ดชาติเนี่ยถือว่าน้อยมากเหมือนกันเถอะเพราะการรู้ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะรู้ความจริงที่สูงสุดอันนั้นไม่ไม่ใช่รู้ความจริงว่าคนอื่นเลวแค่ไหนแล้วตัวเองแบบ จะได้เอามาประจานมันตากไม่ใช่แบบนั้นไอ้คำว่ารู้ความจริงของทุกเรื่องเพื่ออะไรเนี่ยนะอย่าลืมว่ามรทั้งหลายอริยศาสตร์เนี่ยนะความจริงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับข้อสุดท้ายมากเพราะอะไรเพราะเป็นภาเวตประธรรม เมื่อรู้ยิง่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งเมื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งประโยชน์ก็คือจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องเจริญเนี่ยนะเรียกว่าเจริญนิยานิกระทธรรมธรรมที่นำออกจากสังสารทุกข์นั่นเอง เมียทายาสายที่จะรู้ความจริงแล้วก็เห็นโทษของความไม่รู้แล้วก็เห็นโทษของความสงสัยถ้าสงสัยสงสัยอะไรก็สงสัยอดีตสงสัยอนาคตสงสัยทั้งอดีตสงสัยทั้งอนาคตสงสัยกรรมผลของกรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นสงสัยแม้กระทั่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าจะสงสัยในคุณของพระองค์ไหม สงสยัยถ้าไม่รู้คุณของพระธรรมจะสงสัยในพระธรรมไหมก็สงสยัยถ้าไม่รู้คุณของพระสงฆ์จะสงสัยในพระสงฆ์ไหมก็ <ys> สงสยัยถ้าไม่รู้คุณของศีลสมาธิปัญญาจะสงสัยในศีลสมาธิปัญญาไห ม, มก็เลยเห็นโทษของความไม่รู้เนี่ยนะต่อไปเป็นผู้มีอัธยาศัยในความเพียนจะเลยเห็นโทษของความเกียรตคร้านว่าถ้าทําตัวใช่ายๆไม่ทําอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะมันเสียหายแค่ไหน เคยคิดบ้างไหมถ้าเราใช้ชีวิตช้าชามเย็นชามเนี่ยนะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรมีกินไปวันๆก็พอแล้ว เ, เนี่ยนะเขามีนะบางคนใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆเฉยไปวันๆหนึ่งเฉยไปวันๆหนึ่งถามว่าถ้าปล่อยอย่างนั้นไม่ยอมเจริญกุศลเลยเสียหายขนาดไหนตอนที่ผลแห่งบุญเก่ายังมีอยู่ดูไม่เสียหายแต่วันไหนที่หมดผลแห่งบุญเก่าแล้ววันนั้นจะรู้สึกเนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าคนเขา เมื่อไม่หาทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาย่อมจะเดือดร้อนยามที่แก่ชราไปเหมือนนกกระเรียนแก่ที่เฝ้าเปือกตมที่ไร้น้ำมันแห้งไปหมดเนี่ยนะนกกระเรียนตัวแก่ๆโมเรียวโ ม, รวมแรงเดินไม่ไหวแล้วก็อยู่เฝ้าโคลนตมเนี่ยนะที่น้ำแห้งหมดเลยเหลือแต่โคลนจริงๆด้วยอ่ะมันจะเดือดร้อนขนาดไหนใช่ไหม เพราะไม่หาทรัพย์ตั้งแต่คราวเป็นหนุ่มเป็นสาวฉันใดผู้ที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่คราวเป็นหนุ่มเป็นสาวคราวที่มีเรี่ยวแรงเนี่ยนะถามว่ายามใกล้ปากมัจจุราชแล้วรำพึงหาอะไรหาศีลได้ไหมตัวเองไม่ได้รักษาศีลมาไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนามายามชราไปแล้วนี่จะเศ้าใจขนาดไหนมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเพระัะเมื่อมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยควรแล้วที่จะพยายาม บากบันเจริญกุศลเนี่ยนะบากบันในการสแสวงหาประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าควบคู่กันไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่สแสวงหาประโยชน์โลกนี้จนทำลายประโยชน์โลกหน้าหรือว่ามองเห็นแต่ประโยชน์โลกหน้าลืมประโยชน์โลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เกินไปมันก็ต้องหาความพอดีความเหมาะสมให้เจอเนี่ยนะเพราะคำว่าบัณฑิตแปลว่า ผู้เห็นประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าผู้ที่ถือเอาประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าได้สำเร็จเขาเลยเรียกว่าบัณฑิตเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าบัณฑิตคำว่าผู้มีความเพียรก็เนื่องจากมีปัญญามีปัญญาเนี่ยนะจึงประกอบความเพียรได้สำเร็จไม่เสียประโยชน์โลกนี้ไม่เสียประโยชน์โลกหน้าแต่ทุกอย่างเนี่ยคำานึงอยู่เสมอคือประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะททุกอย่างก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนั่นเอง ก็เลยมีความภาคเพียรเนื่องจากเห็นผลเห็นกําไรเห็นอนิสง์ของความเพียรก็เลยสร้างแต่ความเพียรภาคเพียรพยายามแล้วก็เห็นโทษของความเกียรคร้านถ้าคนขี้เกียจให้ทานอะไรจะเกิดขึ้นขี้เกียรรักษาศีลอะไรจะเกิดขึ้นขี้เกียร์เจริญสมถะขี้เกียร์เจริญปัญญาขี้เกียร์ให้ทานขี้เกียร์สร้างคุณงามความดีขี้เกียร์อ่านพระไตรปิฎกขี้เกียร์ศึกษาพระธรรมคําสอนขี้เกียร์เจริญกุศลทุกอย่างขยันแต่ทำมากุศลอย่างเดียวเนี่ยนะ เสียหายยังไงเนี่ยนะเห็นโทษเลยว่าขี้เกียจแบบนั้นเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนยิ่งความมะเร็งอีกเหมือนกันก็ตายเป็นผู้มีอัธยาศัยในความอดทนจึงเห็นโทษแห่งความไม่อดทนเนี่ยนะถามว่าบางอย่างเนี่ยนะการให้ทานบางอย่างจะต้องมีความอดทนนะจึงจะให้ทานได้สําเร็จถ้าขาดความอดทนเมื่อไหรก่ก็เดือดร้อนรักษาศีลก็จะต้องอาศัยความอดทนเพราะถ้าไม่อดทนเมื่อไหรนะ่นั้นแม้กระทั่งประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายประโยชน์โลกหน้าก็เสียหายเพราความอดทนนั้น เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้รักษาประโยชน์ได้แล้วก็เลยเห็นโทษของความไม่อดทนถ้าไม่อดทนนี่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จไหมบอกไม่สำเร็จอยู่แล้วมันความอดทนนั้นจึงสำคัญมากเป็นผู้มีอัธยาศัยในสัจจะจึงเห็นโทษในการพูดคำผิดหมายว่าถ้าพูดเท็จหนึ่งครั้งแล้วเสียหายอย่างไรขึ้นมาถ้าพูดไม่จริงหรือรู้ไม่จริงพูดไม่จริงเนี่ยนะ สมมติถ้าคนอื่นให้ข้อมูลเราผิดผิดมาเนี่ยนะเราฟังฟังสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยนะถามันเสียหายแค่ไหนแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดแบบผิดผิดให้เราฟังสิ่งที่ผิดผิดแล้วถ้าเราพูดผิดผิดให้คนอื่นฟังผิดผิดบ้างล่ะมันเสียหายยังไงสรุปว่าคนอื่นพูดผิดให้เราฟังผิดผิดเราก็เสียหายถ้าเราพูดแต่ผิดผิดให้คนอื่นฟังสิ่งที่ผิดผิดมันเสียหายเสียหายทั้งคนพูดเสียหายทั้งคนฟังก็เลยเห็นโทษของความไม่จริง เห็นโทษของการพูดผิดพูดผิดจากความเป็นจริงว่าความจริงมันคืออะไรเน็นไหมความจริงคืออะไรตกลงความจริงคือเนี่ยนะที่จริงอ่ะมาติกาทั้งหลายความจริงที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตาความจริงที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็น อุเบกขาความจริงที่เป็นกรรมความจริงที่เป็นผลของกรรมไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมเป็นต่านั้นพวกมาติกาทั้งหลายนั่นแหละเป็นลักษณะของความจริงโดยหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยนะความจริงของทุกความจริงของสมุทัยความจริงของนิโรธความจริงของอริยมรรคเป็นต้นนความจริงในโลกนี้มันมีหลายอย่างแต่ไม่ใช่จริงในความเชื่อนะอันนี้จริงอ่ะคือจริงๆรจริงมันจริงจริงจริงมันคืออะไรนั่นแหละไม่ใช่จริงในความเชื่อเพราะันก็พูดให้มันตรงต่อความเป็นจริงที่สุดถ้า ถามว่าถ้าไม่รู้จริงไม่เห็นโทษของความจริงคืออะไรก็คือความวิปลาสความวิปลาสก็คือเนื่องจากไม่รู้ความจริงคนที่จะเห็นอริยสัจนี่ยังวิปลาสไหมไม่เพราะาเขารู้ความจริงเพราะนั้นความรู้ความจริงนี่เลยจึงละวิปลาสได้ถ้าไม่พูดจริงตั้งแต่ต้นแล้วจะรู้ความจริงในตอนท้ายได้ไหมยากเนี่ยนะเพราะหลอกตัวเองไว้แล้วคนที่จะหลอกคนอื่นเชื่อได้ไต้องหลอกตัวเองให้เชื่อก่อนถ้าหลอกใจตัวเองสําเร็จเมื่อไหร่จริงจะหลอกคนอื่นได้ ถ้าหลอกใจตัวเองยังไม่ได้อย่าคิดว่าจะหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองก่อนนะบางทีมันต้องคิดนะต้องหลอกเขาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องปกปิดความจริงอย่างนี้เออฟังดูมีเหตุผลเออหลอกคนอื่นซะเลยที่จริงหลอกตัวเองก่อนเรียบร้อยแล้วนะั่นะนะท่านความไม่จริงอย่านะีถ้ามีอัธยาศัยที่จะพูดความไม่จริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจะเห็นอริยสัจ ท, ที่เป็นความจริงได้ไห้ยากถ้าท่านพูดไม่จริงตั้งแต่ต้นเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพูดความจริงมันจะเป็นไปได้อย่างไง เขาบอกว่าแหมหลอกเที่ยวหลอกไปเรื่อยเพื่อในที่สุดฉันจะต้องพูดแต่ความจริงโดยหลอกหลอกตั้งแต่แรกๆบอกเป็นไปได้ไหมไม่ได้หลอกมั้นสัจจะนี่จึงสําคัญจึงมีอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงแล้วก็พูดความจริงเนี่ยนะนะพูดความจริงแต่สําคัญที่สุดก็คือพูดจริงเนี่ยมันต้องมีองค์มีองค์ไนงะนะพูดแบบเป็นเหตุพูดเป็นผลพูดรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บริษัทรู้ความเหมาะสมเป็นต้นถ้าพูดความจริงแล้วพูดผิดที่ผิดบุคคล เป็นต้นนี้ก็เดือดร้อนมันคำว่าพูดความจริงเห็นโทษในความเท็จเป็นตัวนี้ก็ต้องมีองค์ประกอบอ น, นะจริงๆแล้วบารมีทุกข้อมีองค์ประกอบหมดเลยต่อไปเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในการตั้งใจมั่นจึงเห็นโทษของความไม่ตั้งใจมั่นคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทํากุศลอะไรร่วมกับคนบางคนเนี่ยนะแล้วเขามีอัธยาศัยหล่อแหละเนี่ยนะ นะบอกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวบอกไม่ทําเนะี่ยตกลงมันทําหรือไม่ทํากันแน่เลยนะแส่ก็คือมันเกี่ยวข้องกันอ่ะเราจะให้ทานร่วมกันนะเอาคนละครึ่งกันแล้วกันคือมันจะต้องใช้ทุนจํานวนเท่านี้มันจึงจะให้สําเร็จอีกคนหนึ่งก็บอกเขาไม่ให้หนาทีสุดท้ายบอกไม่ให้ถามว่ามันเสียหายขนาดไหนแต่ว่าให้ทานกับคนรวนเรเนี่ยนะรักษาศีลร่วมกับคนรวนเรเจริญกรรมสมถะวิปัสสนาร่วมกับคนรวนเรคิดงถ้าทําธุรกิจกับคนเรรวนอะไรจะเกิดขึ้น ว่าเดือร้อนแน่เลยใช่ไหมทำงานทําอาชีพร่วมกับคนที่รวนเรอยู่ตลอดเวลาไม่มีความแน่นอนอะไรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเพราะว่าถ้าอย่างนี้จะขนาดไหนเพราะความตั้งใจมั่นจึงเป็นคนที่สําคัญที่สุดทีนี้คําว่าตั้งใจมั่นในที่นี้เนี่ยนะหมายความว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนบางคนนี่ตั้งใจมั่นโดยไม่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการเลยอะไรที่แบบพูดแบบโบราณก็คืออะไรนะที่เขามาล้อ ก, กันเล่นนะตรงเป็นคนตรงมากเพราะฉะนั้นเวลาเดินจะต้องเดินตรงไม่ยอม เลี้ยวไม่ยอมอะไรนั้นเรียก ว, ว่าตรงใช่ไหมบอกไม่ใช่อันนั้นอ่ะสุดยอดของความคดเนี่ยนะเพราะโมแต่เดินคดถ้าคําว่าเดินตรงก็คือเรียก ว, ว่าเอาประโยชน์ของสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยงวิธีการอะไรถ้าถามว่าอย่างสมมุติเราจะให้ทานใช่ไหมบอกใช่ต้องเกี่ยงการสถานที่เราจะต้องให้ที่นั้นเมื่อนั้นอย่างนั้นคนนั้นทามไม่เป็นไปตามนั้นไม่ให้ ถ้าอย่างนี้จะมีโอกาสได้ให้หรือชาติหนึ่งบอกท่าไม่ทําบุญท่านบอกฉันไม่ได้ทําบุญแบบพระพุทธเจ้ายื่นมือมารับฉันไม่ทําเด็ดขาดฟังทำนะท่าไม่ได้ยินเสียพระพุทธเจ้าไม่ฟังเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเมื่อไหรจะได้ฟังอย่างเนี้ยดูท่าจะยากอย่างนั้นเลยนะคือบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงท่านนี้ย้อนกลับมาว่าจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นก็คือมีความมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้เกี่ยงวิธีการอะไร เนี่ยนะไม่ได้เกี่ยงวิธีการอย่างเช่นการให้ทานนี้ให้แน่นอนแต่ว่าให้เมื่อไรให้อย่างไรแล้วค่อยคุยกันอีกทีอีกว่ากันแต่ว่าจะต้องให้ศีลก็ต้องรักษาช่วงนี้รักษาศีล5รักษาอุโบสถเป็นต้นก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าดูความเหมาะสมอื่นๆประกอบกันละกันว่างั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจมั่นเจออุปสรรคเจออะไรอย่างอื่นก็ไม่เรรวลเนี่ยนะไม่รวนเร ต่อไปเป็นผู้มีอัธยาศัยในเมตตาก็เลยเห็นโทษของความพยาบาทเนี่ยนะสมมติท่าคิดง่ายๆ ง, ยงยี้นะถ้าคนอื่นเขากโกรธเราเนี่ยนะชีวิตเราจะเป็นยังไงสมมุติถ้าเราเคยสร้างความเสียหายให้คนอื่นไหมเอเราเคยแบบเคยสร้างความเสียหายให้พ่อแม่นี่นี่หน่อยๆไปหยิบไปขวนไปเตะไปตีอะไรท่านนี่นหน่อยๆเป็นต้นเน่ยนะไปหลอกท่านบ้างด้วยมู่สาวด้วยความโง่เขลาแบบภาษาเด็กๆถามว่าถ้าท่านถือโกรธอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าท่านถือโกรธอะไรเกิดขึ้น เราเสียหายขนาดไหนฉันใดก็ดีถ้าเราไปถือโกรธในคนอื่นในคนอื่นเขาจะเสียหายขนาดไหนฉันใดเห็นโทษของความโกรธว่าถ้าโลกนี้ทุกคนถือแต่ความโกรธถือเอาแต่ความผิดของคนอื่นไม่มองเห็นแต่คนอื่นเลวเลวเกินกว่าฉันจะช่วยเขาได้เป็นต้นเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะบอกลูกฉันมันเลวเกินกว่าที่ฉันจะเลี้ยงอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมันร้องหนึ่งครั้งําคาญเลวมากเกินที่จะเลี้ยงอ่ะนะถ้าถือโกรธแค่นี้อะไรจะเกิดขึ้น อย่างกันนะเพรา ะ, ะนั้นคำว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยเห็นโทษของความผูกพยาบาทเลยว่าพยาบาทแปลว่าผูกใจเจ็บเนี่ยนะเห็นโทษของการผูกใจเจ็บว่าอะไรเกิดขึ้นเนะนั้ะยินดีที่จะละความผูกใจเจ็บทีนี้ถามว่าถ้าไม่ผูกใจเจ็บก็น้อมนําแต่ประโยชน์เข้าไปให้แก่ผู้อื่นเรียกว่ามีอัธยาศัยในเมตตาเราะว่าคนที่ที่โกรธเนี่ย น, นะบอกว่าจิตใจคับแคบเหมนกันน่ะ คือถ้าพยาบาทอยู่ในจิตใจมันแคบแ ค, บ, คบจริงๆนมันแคบจนเรียกว่าแทบจะมองหน้าใครคนอื่นไม่ได้เลยนะเรียกว่าจิตใจแับแคบพันอัธยาศัยในเมตาก็น้อมนาแต่ประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์อื่นอยู่เสมอส่วนอัธยาศัยในวางเฉยล่ะอัธยาศัยในวางเฉยก็คือเห็นโทษของโลกธรรม ว่าโลกธระทมันก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็รับคําสรรเสริญเป็นต้นนั้นเห็นโทษของโลกธระททั้งหลายเนี่ยนะเห็นโทษของโลกธรรมนะว่าลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกขมันเป็นของประจําโลกอย่างนี้แหละก็เลยวางใจได้ทําใจได้วางเฉยนี่แปลอีกภาษาหนึ่งว่าทําใจได้เนี่ยนะรับได้ทําใจได้โดยที่ไม่ได้ถือว่ามัน มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำใจไม่ได้เป็นต้นก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนั้นวางเฉยก็คือเรียกว่าเป็นคนที่ทำใจได้รับได้ในทุกสภาพโดยที่เรียกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลนั้นคาว่าเฉยเฉยในที่นี้ไม่ใช่นั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยทำใจให้มันเฉยเฉยใช่ใชหมเฉยในที่นี้แปล ว, ว่าไม่ได้เก็บเอามาม า, มาเป็นปัญหามาเป็นอุปสรรคในการเจริญ กุศลอย่างอื่นๆเลยเนี่ยนะไม่ได้ถือเรียกว่าไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคนะเช่นได้รับโลกกระทำฝ่ายดีก็บอกโอ้ช่วงนี้วิบากดีเหลือเกินทําบุญไม่ได้หรอกให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไม่ได้หรือไม่ช่วงนี้โลกกระทำฝ่ายร้ายเล่นงานเหลือเกินเจริญกุศลไม่ได้หรอกคือไม่ได้มองโลกกระทำทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลเลยนี่แหละเรียกว่าเป็นคนวางเฉยได้เดี๋ยวข้างหน้าต่อไปนี่ก็บอกว่า วิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยดูจากอะไรถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่คนนั้นชื่อว่ายังมีวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาอยู่เนี่ยดูถ้ายังเจริญกุศลอยู่ได้รักษากุศ ล, ลจิตต่อไปได้แสดงว่าอย่างบางคนเนี่ยนะโอ้ขี้บ่นยิงๆเลยนะแต่ก็ยังให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแสดงว่าคนนั้นจริงเขาอดทนนะนะเขาอดทนแต่ว่า บางอย่างเนี่ยนะเพียงแต่เขาพูดให้คนอื่นได้ยินตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแต่เขาก็ยังอดทนที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องวันที่แน่ๆก็คือเนื่องจากมีอัธยาศัยในบารมีทั้งสิบความที่พระองค์มีอัธยาศัยในบารมีทั้งสิบนั่นแหละพระองค์จึงน้อมไปเพื่อการเจริญบุญเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องให้ทานเนี่ยนะโอโ้ข้อกว้างขวางมากก็ ก็คือสรุปว่าวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้